เรื่องภิกษุณีเป็นไข้สมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นไข้ยำเกรงอยู่ที่จะถ่ายอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างบ้วน้ําหลายบ้างลงในน้ําพวกภิกษุได้กราบทัวเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้เป็นไข้ถ่ายอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างบ้วน้ําหลายบ้างลงในน้ําได้ แล้วรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้